มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาตัติยวัคโกติยาปุริมะปัญหาที่สาม ถามว่าที่สุดเบื้องต้นแห่งการปรากฏนั้นอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปินธรณีมีพระราชะองค์การตรัสถามอัถปริศนาอันอื่นต่อไปว่าพันเตนาฆาเสนาฆ่าแต่พระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้ากล่าวกับโยมว่าที่สุดเบื้องต้นแห่งการปรากฏนั้นอย่างไรพระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่า มหาราชฯขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารได้แก่สิ่งที่ไม่มีแต่ก่อนเลยกลับมีขึ้นแล้วพลัดพรากไปนี่แหละเรียกว่าที่สุดเบื้องต้นแห่งการปรากฏขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสว่าที่พระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าสิ่งที่ไม่มีเลย มามีขึ้นแล้วพลัดพรากจากไปซึ่งคำทั้งสองว่าไม่มีกับพลัดพรากไปนี้ข้อความอย่างไรและสิ่งทั้งสองซึ่งว่าไม่มีกับว่าพลัดพรากไปนี้จะถึงซึ่งภาวะมีอัดมีความแจ้งออกประการใดพระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่าถ้าแม้นบอพิษสงสัยว่าสิ่งไม่มี และพลัดพรากไปนั้นไม่ได้ความคงจะได้ความพระเจ้ากรุงมิลินจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าจะให้โยมรู้โดยความทั้งสองนั้นจะได้หรือไม่ได้พระนาคเกษณถวายพระพรไปว่าอัตมาอาจจะให้เข้าพระทัยโดยอัถะทั้งสองนั้นได้ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรจึงมีพระบวรราชองการตรัสว่า ใช่โยมจะถามเท่านี้หาไม่ได้พระผู้เป็นเจ้าอาจจะแก้ได้โดยที่สุดเบื้องต้นปรากฏให้แจ้งออกจะได้หรือไม่ได้พระนาคเกษธวายพระพรว่าได้พระเจ้ากรุงมิลินจริงนิมนต์ให้พระนาคเกษอุปมาพระนาคเกษจริงอุปมาต่อไปให้พระเจ้ากรุงมิลินฟังว่ามหาราช ดูราณะบ่อพิษพระราชสมภารเปรียบปานดุดต้นไม้เดิมนั้นไม่มีคือยังไม่เกิดเป็นต้นครั้นพืชนั้นคนนํามาปลูกก็เป็นใบก่อนจึงเป็นต้นนี่แหละได้ชื่อว่าเดิมไม่มีแล้วมีขึ้นที่ว่ามีขึ้นแล้วหายไปนั้นได้แก่ลูกไม้มีตามฤดูครั้นสิ้นฤดูแล้ววายไป มีเดิมปรากฏนั้นได้แก่พืชพระเจ้ากรุงมิลินปินสาคละนะครได้ทรงสดับปัญหาพยากรณมีพระไทยโสมนัสยินดีย่อกรอัญชลีให้สาธุการว่าพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขข้ออัทปัญหานี้สมควรแล้วโกติยาปุริมาปัญหาเป็นคำรบสามจบเท่านี้